ขอความเจริญในธรรมชุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่วมประพฤติยานกำลังนำเสนอปฏิจจสมบาทจากมุมมองในด้านต่าง ๆ, ๆ, ๆก็ว่าที่จริงก็เป็นการแสดงถึงความเกี่ยวข้องของปฏิจจสมบาทหรืออริยสัจสี่เนี่ยบ่ากับองค์ธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นตัวหลกัหลกๆเนี่ย มันก็คือเรื่องของปฏิจจสมบาติด้วยกันแต่ว่าเป็นปริยายเทศนาที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยาต่างๆแม้แต่เนื้อหาวิชาที่เราศึกษากันอยู่ในปัจจุบันที่เราแบ่งออกเป็นสังคมาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์โดยวิทยาศาสตร์กับสังคม เราจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ที่เป็นกระบวนการธรรมชาติซึ่งมนุษย์ไม่เยัางไม่เ้า ไ, ไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มของทุกข์ศสตร์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเหตุปัจจัยแต่พอมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องตัวมันเองยังเป็นทุกข์สตร์อยู่นั่นแหละแต่ว่าอาจจะถูกใช้ไปทั้งบวกทั้งลบคือใช้เป็นแรงของมรรคศาสตร์ก็ได้แรงของสมุทัยศาสตร์ก็ได้ ก็พูดว่าใช้ไปทางบวกก็ได้ใช้ไปทางลบก็ได้นะครับทำนองพวอาวุธยุท ธ, ธปัจจัยทั้งหลายระเบิดปรมามนูอย่างเงี้ยตัวมันเป็นทุกข์กัจจ์จึงเกิดขึ้นในเหปัจจัยแต่พอดีเราก็ไปปรุงแต่งเข้าเจตนาในการปรุงแต่งก็แตกต่างกันเจตนาเพื่อสร้างสารรค์หรือเพื่อทํำลายเลยไปใช้ก็โดยเจตนาที่ต่างกันใช้ในทางบวกหรือทางลบ ตัวเขาก็คงเป็นเป็นทุกข์กษัตริย์อยู่เหมือนเดิมเมื่อคนเราเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเป็นกลุ่มของทุกข์ันแต่ว่าตัวจิตเนี่ยมันถูกปรุงด้วยกุศลก็ได้กุศลก็ได้นะกลางๆก็ได้กระจายชีวิตไปในทงางบวกอะไรลบก็ได้แล้วกลางๆก็ได้จะ ก, ากลกายเป็นชีวิตดีไม่ดีแล้วก็ชีวิตที่เป็นกลางๆเรียกว่าโมฆะชีวิต อในวันนี้จะมองเออไม่ใช่คือกลุ่มของสังคมนะกลุ่มของสังคมเหโดยเห็นว่าพฤติกรรมทางสังคมที่จริงเป็นการสะท้อนจากกิเลสกับสะท้อนจากธรรมสะสอนจากอุปสมธรรมจากอุปสมธรรมว่าะะนนคนในโลกนี้จริงๆเนี่ยมันมีคนดีกับคนชั่วหรือแม้แต่ว่าคนที่เป็น ก, ากลางๆประเภทที่เรียกว่าโมกคัดชีวิตมันก็ชั่วนะฮะแต่ว่าชั่วน้อยกว่า แต่นั่นเองเขาเรียกว่าบาปอ่าบุตไม่ทํากรรมไม่สร้างวัดไม่ข้าวราให้ชินเนีย่ยมันก็อยู่อยู่กลางๆกี่กั้มกึ่งแต่ว่าเป็นการพลาดพลานเวลาตัวเองให้ผ่านพ้นไปก็ชื่อว่าอยู่ด้วยความประมาทมันก็ทําให้ชีวิตไ ร, ร้ค่าทา่านยังเรียกว่าเป็นโมฆะชีวิตวันนี้จะมองอจะจําแนกแยกแยะจริงๆก็พูดมาตั้งแต่ตอนต้นๆ น, นะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้แบ่งแยกให้ดูว่วาอริดียสัต กปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเรื่องเดียวกันปฏิจจสมุปบาทเขาเรียกอริยสัจใหญ่อริยสัจก็ เ, เรียกว่าอริยสัจเล็กแต่ว่าโดยองค์ธรรมโดยหาสาระแล้วก็ก็คือกันนะนะในกล่าวโดยสายเกิ ด, ดเราเจ็ว่าถ้าเรามองจากสายเกิดเนี่ยแล้วก็คือประกอบด้วยทุกขสมุทัย ตะมองสายดับเราประกอบด้วยนิโรธกับมตรต์แต่ว่าเมื่อเราพูดถึงวัตฏะพูดถึงกิเลสพูดถึงกรรมพูดถึงสารวัตรมันก็พูดในด้านของทุกข์กัลป์กันสมุทยัยเป็นหลักนะส่วนด้านของนิโรธกับมตรต์มันก็สายของวิวัฏฏะคือพูดง่ายๆว่าพูดได้รวัตฏะกับวิวัฏฏะวัตฏะก็คือพ้นจากวัตฏะ พ้นจากสังสารทุก์ระคมมองที่องค์ธรรมเหมือนเดิมองค์ธรรมนั่นได้อธิบายซ้ำมาสองคราวใหญ่ๆแล้วนะครคือนิยามกรอบว่าอาวิชชาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรนี่ก็เลยบอกมาเพราะบางทีก็ต้องก็ถือว่ารู้แล้วนะฮะัหมายถึงอะไร ปฏิจจสมบาทก็เป็นส่วนแห่งวัตถะกาถาคือคาถาที่กล่าวด้วยวัตตองค์ธรรมที่ปรากฏชัดก็คือฝ่ายของสมุทัยศัสตร์กับฝ่ายของทุกศัสตร์เมื่อแสดงฝ่ายเกิดหากจะเรียงตามอาการสี่สิบที่เรากล่าวไว้ในแง่ของภาวะจักก่อนๆเ น, นี่ยฮะเราจะเห็นว่าสมุทัย ที่ส่วนที่เป็นอดีตเหตุก็คืออวิชาสังขารตันหาอุปาทานแล้วก็พบีนี้ไอ้สังขารกับสังขารแล้วพบหรือพบเนี่ยท่านหลายลองสังเกตดูนะฮะว่ากมังสเตวิพัชติยดิดังหีนัปปณิตตญาณพาักรรมมันจําแนกตั้งแต่เกิดแล้วเกิดเดี๋ยวมันเป็นทุกข์ชาติปีตุขามาลาปีตุขามานำปีตุขัาในชาติเกิความเกิดก็ดเป็นทุกข์ แต่ว่าทีนี้ชาติเนี่ยมันเป็นผลรวมของกิเลสกับกรรมวันกรรมจึงถือว่าเป็นสมุทัยศาสตร์ไปด้วยเพราะว่ามันติดมันติดอยู่กับกิเลสหรือกิเลสกับกรรมเนยก็แยกกันไม่ได้นะฮะหมายความว่าถ้าแยกกันมันก็หมดมันก็ไปอีกด้านหนึ่งได้เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องกลางหยาบกลางละเอียดมันก็เป็นอีกเรื่องนึง วันในในตรงนี้อวิชาสังขารตัณหาอุปาทานพบมันก็อวิชาสังขารอุปาธาไม่ใช่อวิชาตัณหาอุปาทานเนี่ยก็เป็นกิเลสแล้วก็สังขารกับพบเนี่ยก็เป็นกรรมก็ตกลงอาเหมือนเดิ ม, มนะฮะแต่ว่ามองจากสายเกาะกลุ่มในองค์ธรรมว่ามันเป็นอะไรมันเหมือนกัเราเอาเอาอากุศลทั้งหลายมา มาดูยอดเปอย่างอเรียมัชกันละกันคุณๆนะอะเรียมัชบางคนอเรียมัชนั้นมีองค์แปดแต่มายอดลงในใจสิกขาสามนันจะย่อดยังไงได้เห็นว่าสัมมาวายาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะนั้นก็เป็นศีลสัมมาวายามาสัมมาสติสมาสมาธิก็เป็นสมาธิสมาสติสัมมาสังกัปปะก็เป็นปัญญา ก็ลงว่คือศีลสมาธิปัญญาทีนี้ถ้าใช้รุปรวมอีกเที่ยวหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นปัญญาหรือว่าเป็นอั ป, ปมาตถก็ได้นะฮะคือพูดถึงว่าเป็นสติก็ได้เป็นปัญญาก็ได้มันก็สรุปได้ทั้งสองอย่างเพราะว่ากุศลธรรมนั้นอาจจะสูบลงที่สมมาธิหรืออาจจะสูบลงที่อั ป, ปมาตถก็ได้เพราะว่าเป็นที่เกิดของกุศลธรรมทาง ทั้งหลายทั้งสองฝ่ายนะเอาสติระสำชัญญาเนี่ย อ, อะไรเป็นเป็นหัวก็ได้ก็เป็นธรรมะที่เกิดร่วมกันทีนี้สายตรงนี้มันก็ต้องมองให้เห็นโทษแล้วก็ตําหนดรู้สภาวะที่แท้จริงของเขาตอ น, นพวกอวิชชาตันหาอุปาทานนั้นจะต้องมองให้เห็นโทษ แต่ก็มีความชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ภายในจิตว่าสิ่งนี้เป็นโทษแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละบันเทาคือไม่ควรจะมองให้มากนะฮะเป็นการมองแน่ว่าจับโจนก็จับหัวหน้าในกองทัพนี่ก็จับแม่ทัพให้ได้มูก็ต้องจับหัวมันให้ได้เพราะกิเลสเนี่ยก็มีหัวเขาก็คือวิชา อวิชานีมันตรงกันข้ามกับวิชารเราก็สร้างวิชาขึ้นนะ่ะอวิชาก็ทำหน้าที่ขจัดอวิชา ไ, ได้ลองสังเกตว่าโลภะโทสะโมหะนี่จะลดโดยธรรมชาติได้เอาสมมติว่าหนุ่มกอนี่ไปเจอกับสาวขอสวยชอบใจนะก็เดินเข้าไปแล้วคิดจะแทรโลมแบบหนุ่มทั้งหลายเนี่ย พอดีคนก็เห็นข้าวก็มาทักแล้วก็แนะนําไม่รู้จักว่าสาวขอเนี่ยเป็นญาติกันความคิดที่จะจีบมันหายไปเลยแล้วก็เป็นญาติระดับไหนล่ะถ้าระดับน้องเราก็รู้สึกรักใกล้ปกปันระดับพี่ก็รู้สึกเคารพนับถือจีบมันเปลี่ยนเลยถามว่าทําไมมันเปลี่ยนล่ะเพราะรู้ฮ เพราความรู้มันเกิดขึ้นที่ตอนที่เข้าไปจะเกี่ยวจะแทรโโลมนั้นมันเกิดจากความไม่รู้ว่าใครเป็นใครทีนี้เอาอุปม า, านนหนึ่งหนึ่งหนุ่มกอก็เดินไปก็มีหนุ่มขอก็มองมองแล้วมองอีกหนุ่มกอก็โกรธเดินรีดตรงเข้าไปหนุ่มขอก็ลุกขึ้นทักขอโทษคุณชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้น เดีวคุณลูกของคนนั้นเกี่ยวข้องอะไรคนนั้นคนนั้นคนนั้นหรือเปล่าแล้วว่าคนนี้ก็าถามถึงนะคือพ่อเขาหนุ่มกอเขาก็ถามว่าทําไมเขาบอกว่ามันรู้สึกคล้ายกับพรานะฮะคนเนี้ยคนคนนี้เขาเอ่ยถึงเนี่ยคือเป็นญาติกับเขาเป็นลุงกับเขาแล้วเขามาเนี่ยต้องการจะไปบ้านเขาหนุ่มกอก็เปลี่ยนเลยเป็นเป็นความรักเป็นลูกพี่น้องเป็นญาติกันเนี่ย ที่นี่เขาไปในโกรธนะนีก่ก็ไปในโกรธต้องการจะทักถาถามท่าดีท่าต่อยอะไรก็แบบตั้งเงรียงขึ้นลายเห็นหั้มฮะคือคือคือตรงเลือกจรงชีวิตประจําวันเนี่ยว่ามันปัญหาใหญ่คืออยู่ตัอ ย, ตอยู่ที่ตัวไม่รู้นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วก็บางทีเนี่ยเช่นความไม่รู้นําไปสู่การหลุดหงิดยกตัวอย่างเช่นเราไปในที่ใดที่หนึ่งอะแล้วเกิดหลงทางนะฮะ เกิดลงทางว่าไปไม่ถูกเลี้ยวโน้นก็ผิดเลี้ยวนี้ก็ผิดเลี้ยวนั้นก็ผิดไปเลี้ยวกงมหงิดอ่ะเพราะว่ามันเกิดอยากจะไปให้ถูกแล้วมันไปไม่ถูกอยากจะไปให้ถูกมันเป็นโลภะแล้วก็ไปไม่ถูกได้เป็นโมหะและเสร็จแล้วเกิดตั้งโลภะตั้งโมหะแลยกลายเป็นโทสะเลยหงุดหงิดมันก็เหมือนกั บ, อ น, บอนิวรณ์ข้อที่เราเรียกว่าอุทธัจออจโกฏิเนี่ยมันฟุ้ง ฟุ้งไปฟุ้งมาฟุ้งซ้ายฟุ้งขวาฟุ้งบนฟุ้งลา่างฟุ้งไปฟุ้งมาในสุดอาการฟุ้งนี่มันเป็นโมหะฟุ้งไปฟุ้งมาหาทางออกไม่ได้ก็เกิดโทสะคืออยากจะอยากจะไม่ให้ฟุง้ง่ะแต่มันฟุง้งโดยเกิดโทสะแล้วเราเห็นอาการโลภะโทสะโมหะมันเป็นจังหวะจังหวะจังหวะจังหวะจบนั้นก็คือเรื่องของการมองให้เห็นโทษแล้วมันพร้อมจะลามตามลามไปได้เรื่อย ทีนี้ถ้าหากว่าเราไปแก้ตัวโมหะหรือตัววิชาได้ไอตัวตัณหาอุปาทานเขาก็ลดเองนะเพราะว่าเป็นผลพวงมาจากอาวิชาเพื่อสลายอาวิชาด้วยวิชาอาการก็ตัณหาอุปาทานาก็ลดพอลดเนี่ยโดยการทําการพูดการคิดซึ่งเป็นกรรมมันก็จะอยู่ในกระแสของการควบคุมได้ คือจะเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นภูมิธรรมกลายเป็นภูมิจิตกลายเป็นภูมิภูมิรู้ก่อนนะจะยิ่งเกิดภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิจิตแล้วก็กลายเป็นภูมิฐานก็เป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นสัตว์ปรุษเป็นคนดีนะไม่ประพฤติกระทำออกนอกรูนอกทางไปการทําการพูดก็เป็นกุศลตัวกลายเป็นคนดีเป็นสัตว์ปรุษเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ในชาติปัจจุบัน แล้วตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์ภพชาติมันก็นี่ขึ้นเห็นไหมเราเรียนจากสมุทัยเนี่ยเราก็เรียนได้คือเราหาประโยชน์ได้ทุกอย่างว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการจาัด ก, การสำนวนปัจจุบันมาอยู่ที่การจาัด ก, การแดะการบริหารจัด ก, การด้นนี้ในกลุ่มของกิเลสเราก็รู้โทษของมัน ทีนี้ถามว่าไอ้บุญบาปเนี่ยเป็นโทษด้วยหรือเปล่าบาปเนี่ยเป็นโทษแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าบุญกับอเนินชาเนี่ยเป็นโทษในแง่สังสารวัตรเพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าเป้าหมายมันไปเกิดมาเป็นหนายถึงสังสารวัตรแต่ในขณะเดียวกันก็เสนอทางเลือกที่ให้คนซึ่งพอใจติดใจในสังสารวัตรเนี่ยสามารถมุนบนในสังสารวัตรที่ทุกน้อยลงสุเพิ่มขึ้น เรียกว่าเดวามนุษย์เสสูงสังสรรตท่องเที่ยวจะไดหมู่เทวดาละมนุษย์ทั้งหลายมันก็ดีกว่าตกนรกตั้งเยอะภพชาติก็ประนีตขึ้นนะฮะก็มีความสุขก็เพิ่ขึ้ น, นแต่ก็ไม่ใายหลุดพ้นจาสังสารวัตรโดยการมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษและเปลี่ยนพยายามป้องกันกันกบบำบัดแต่พอดีมันมีบุญบาปอยู่ด้วย ไอ้บุญบาปเนี่ยเราต้องมองถึงผลเขาคือสาวมาจากผลและจะเห็นว่ามันเป็นโทษหรือแต่ดูเขามันไม่ค่อยเป็นโทษน ะ, ะโดยเฉพาะบุญเนี่ยแต่ว่าเพราะเขาเนี่ยมัน่วงเหนียวคนเอาไว้ให้หลงวนอยู่ในสังสารวัฏก็ น, นึกดูถึงว่าตีต่างว่าเราเกิดในพรหมโลกเอาได้ด้วยด้วยอรูปสมบัติเนี่ยเกิดในพรหมโลกอยู่นานเป็นกลับเป็นกันกันเลย แล้วก็เป็นนามาทำล้วนๆ น, นึกดูอยู่ทำไมมันก็ค่อยๆไพักสังสารวัตอยู่แ่นีคือถ้าจะอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะเรามาอยู่ในโลกมนุษย์อยู่ในหมู่เทวดาได้ช่วยเหลือก็ขุดกันแต่ทำประโยชน์ชีวิตแต่เป็นประโยชน์แกค่คนอื่นแต่ตรงนั้นมาเป็นประโยชน์ของตนส่วนเดียวเท่านั้นเองเป็นสวยสุขในอรูปฌานแล้วก็หาหาอะไรชัดเจนไม่ค่อยได้ด้วยนะ ในว่าสัญญานาะฏ ญ, ญายตานาะเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่วันใต้จังคิดเนี่ยมาอย่างชอบท่านสีเทวมิตรอนาคาริกธรมรมบาลังคือท่านเป็นชายหนุ่มที่ต่อสู้เพื่อนำพระพุทธศาสนากลับคืนมาสู่ประเทศลังกาแล้วก็ได้มาทั้งกรุกัสู่อินเดีย ทำงานเผยแผ่ศาสนาแก้ไขปัญหาพระพุทธศาสนาจนในที่สุดมันขาดความคล่องตัวมันมีปัญหาทางวินัยแต่ทานาก็สกแต่ว่าสกหยุดตรงครึ่งทานนะฮะเป็นอนาคาริคือถือศีลแปดก็ไม่มีเพศสัมพันธ์เหมือนกันก็ศีลพรหมจรรย์นะฮะศีลแปดจริงก็ระดับพรหมจรรย์ แล้ก่อนจะตายเนี่ยท่านแน่จใจท่านตายท่านก็บวชหรือให้ตายในจีวรแล้วที่ถาว่าขอเกิดอีกยี่สิบห้าชาติคือไม่ต้องการเกิดสวรสดิ์ไม่ต้องการเกิดเป็นพรหมเขาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อรับใช้พระศาสนามันที่อื่นมนาะไม่ถนัดเท่าโลกมนุษย์นะทางานได้ถนัดทันทีเองแต่ว่าทํำยังไงถ้าเกิดเดีจยให้เราได้มีโอกาสรับใช้ศาสนานานหน่อยคือว่า สกุลที่เราเกิดควรจะส่งเสริมสนับสนุนให้เรามีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในการเข้าห า, าศาสนาในการรับใช้ศาสนาจะเป็นคารวะาก็ทุ่มเททรัพย์สินเงินทองจากครอบครัวลงไปได้อย่างท่านสีเทวมิตรนาคาริธรรมาราปลาลานี่พ่อท่านเป็นเครื อ, อบดีผู้ใหญ่ทั้งช่วยได้เยอะเพราะโอกาสที่ท่านทงานรับใช้ศาสนาได้เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะ ชื่อของพรลังเลยซ้ำไม่ชื่อเดวิดหรือดาวิดเนี่ยชื่อพรลังเลยซ้ำไปแต่ว่าท่านก็สลัดพักานาการตรงนั้นออกมาได้ก็ที่ชอบเนี่ยคือเราศึกษาไปแล้วนี่เราจะเห็นว่าโพรโมโลกมันก็สุขจริงไม่ใช่ปฏิเสธแต่ว่ามันเป็นสุขคนเดียวจะถ้าเราอยู่ในมนุษย์เนี่ยเราก็ใช้พลังของเราในด้านต่างานเนี่ย ช่วยเหลือคนอื่นสัตว์อื่นแล้วมันเป็นสุขนะฮะช่วยเขาพ้นทุกข์ได้นะเป็นสุขเป็นสุขมีความสบายมีความเบิกบานใจเราก็เห็นโทษแล้วก็ลดกิเลสลดกิเลสแต่น้อยก็ระดับที่ปิดประตูนรกก็พอแล้วคืออย่าตกนรกก็อาจจะเป็นวัตฐ์หมุนวนกันอยู่ในสงสารวัฏแต่ว่า คติที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดครอบครัวที่เราเกิดรูปร่างหน้าตาสุขภาพภราณามัยของเรานะ่ยฮะคนนี้ไม่เป็นส่วนเสริมเท่านั้นนะคือถ้าสุขภาพภราณามัยเราไม่ดีรูปร่างหน้าตาไม่ดีบุคลิกลักษณะไม่ดีเนี่ยมันไปยากมากนะมันกลายเป็นอุปสรรคลองดูว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหลายคนในโลกเลยแหละเนี่ยอายุเธอไม่ถึงยี่สิบมันดังระดับโลกเลย แต่เราดูรูปร่างหน้าตาของเธอปกลิกลักษณะแนวโน้อมอัธยาศัยอะไรต่างๆมันดีถึงแม่บางชีเนี่ยแค่กำเนิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวเธอดีเธอได้อุปทิ่มนดีรูปร่างหน้าตาปกลิกลักษณะสุขภาพพรานาไม่ดีมันก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ใช่ประเดี๋ยวปวดหัวประเดี๋ยวปวดท้องปรเดี๋ยวเป็นไข้ประเดี๋ยวไม่สบายปเดี๋ยว ปวแค่ปวดขาไปได้เป็นโรคนั้นโรคนี้วิ่งข้าววิ่งหัวโรงพยาบาลอย่างนี้เราก็แย่ทํางานไม่ได้เต็มที่แต่ว่าชีวิตเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพอเราเห็นเข้ามาว่าเออชีวิตมันก็เป็นหลังของโรคเป็นของเปื่อยเน่าผุพังและเป็นหลังของโรคตัวทําให้เกิด น, น่ายในชีวิตนายในชีวิตมันก็ ไอ้สังสารวัตรมันมากับไอ้กิเลสกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็พยายามลดอวิชชาลงไปเรื่อยๆโดยกันเดินไปตามขั้นของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาถ้าอาวิชชามันสงบลงไปได้ระดับที่เรียกว่าเข้าสู่กระแสพระวิพญานถือเป็นประโสบดับันขึ้นไปเนี่ยพวกนี้มันก็ปันี์ขึ้นนะแต่กิเลสยังไม่หมด หรือยันว่าวิชาสังขาริตนตาหนาว่าทานยังไม่หดแข็ง น, นแต่ว่ามันมีปุญญาไปสังขารมี่สูงขึ้นแล้วกลุ่มของอเด่นชาไปสังขารก็สูงขึ้นแต่กลุ่มของอปุญญาไปสังขารคือบาปเนี่ยมันจางคลายลงเพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยสุขสัมผัสสุขเวทนาแล้วก็มีมากขึ้น นี่ก็เป็นเป็นหลักที่เราเรียนจากกลุ่มของสมุทัยและเราหาประโยชน์จากเขาทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มกิเลสแล้วก็กลุ่มทุกข์วันโดยปริยายหนึ่งเนี่ยส่งสอนสแสดงโดยสรุปนะฮะเฉพาะตรงนี้วัดเวทธรรมมาปรินญาญาดวงวิสูตรต่างหลายทำสองประการควรกําหนดรู้คือนามหนึ่งรูปหนึ่งตเวทธรรมมาปหาตบาททำสองประการควรละ ก็วิชาหนึ่งเพราะว่าตัานหาหนึ่งนั่นะคือกลุ่มของสมุทัยสัตว์เนี่ยมองเห็นโทษแล้วพยายามละมองเห็นคุณแล้วก็พยายามกําหนดรู้ถึงความจริงแต่ในขณะเดียวกันพอสาวนี่มันเห็นโทษของวัตตะด้วยนะฮะอย่าลืมว่าแนวแนวภาษาเลึอดกิเราจะเห็นโทษของวัฏจักรประการมเนี่ยเป็นตัวนําไปสู่วัตตะคู่กับกิเลสประรหารทั้งหลายเวลาปัญหาเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน ท่านจะไม่โทษใครเลยท่านบอกว่าเป็นโทษของวัตตะซึ่งกฎหมายความมาทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่เกิดมาแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกที่มันมีปัญหาเพราะว่าเราเกิดมาดังนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นโทษของใครก็เรียกว่าเป็นโทษของวัตตะต่อมาทั้งสองประการนี้ถ้าใช้เป็นหมายความว่ากลุ่มทุกข์ัตว์ตัทั่วไปเนี่ยเรามองในแง่ของ กระบวนการในเหตุปัจจัยตกอยู่ในกฎของใสรักมงองในแนวสาวดึกย้อนลึกลงไปมันก็เป็นตัวตกแต่งภพชาติของเราให้ยากล่างประณีตถ้าพูดระดับสังสารวัตรเขาก็มีปัญหาแม้แต่ตัวบุญรบาบไม่ใช่แม้แต่ตัวบุญรอนิยชาตัวบาปมันก็มีปัญหาอยู่ ท, ทุกระดับอยู่แล้วแต่ว่า เรามองอีกหนึ่งเขาก็เป็นขนล้วเกิดมาจากเขตก็คือกิเลสดังนั้นเราก็พยายามที่จะลดละกิเลสโดยเฉพาะบาปที่มันมาจากตัวกิเลสแท้ๆเราพยายามลดละในส่วนที่เป็นกิเลสแล้วกิเลสในอย่างที่บอกว่าลดตรงไหนก็คืออย่างอื่นก็ลดตามไปด้วยก็ เ, เป็นลักษณะที่เชื่อมโยงถึงกันนะน้ําที่นอกคนสวรรค์ลดก็ แ, แสดงว่าน้ําที่กรุงเทพก็ลด น้ำที่กรุงเทพลดก็แสดงว่าน้ำที่นครสวรรค์ก็ลดเพราะอะไรเพราะมันเชื่อมโยงถึงกันแล้วมันก็ส่องให้เห็นถึงกันะระยกันได้เราเดินมาดูที่แถวยิทยาเนี่ยแถวปฐุมธา น, นีเห็นน้ำปริ่มฝั่งเราก็รู้ว่าที่นครสวรรค์ก็น้ำเต็มหรือว่าลมมองที่กรุงเทพก็เต็ม โดยไม่จำเป็นจะต้องมาดูนี่ความเป็นปัจจัยของกันาละกันคือส่งเสริมกันและกันในกลุ่มสมุทรไทยจึงสอนในแง่ของความเป็นโทษได้มองให้จิตใจไปจากแจ้งชัดเจนว่ามันเป็นโทษจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เพียรพยายามที่จะลดละบันเทาตัวเหตุ เตี้ยเกิดบาปแล้วก็ช่วงหนึ่งนะฮะก็เพิ่มบุญเพิ่มเพิ่มมาเนียนจากกันไปแต่พอระยะยาวๆนะฮะในช่วงที่พัฒนาจิตใจ ย, ยกขึ้นเหนือหน้ากิเลสสูงขึ้นเนี่ยแม้แต่รูปประชานะรูปประชานก็กลายเป็นตัวทวงไม่ให้บุคคลบรรลุผลสูงสุดได้แต่ว่าเป็นหนทางไกลกันดานนะฮะอย่างอีกอยามนาน เางั้นปฏิบัติไปตามสถานะตรงนี้ก็คือลดกิเลสแล้วก็เพิ่มธรรมะไว้ก่อนก็เป็นการปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงแล้วต้องฝังทั้ ง, งหลายในรมปปัจจุบันในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญมอหกน้ำไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทษกันสวัสดี